กรรมทุกอย่างของพรหมก็ปรากฏเหมือนรูปที่ปรากฏเมื่อประทีพผันดวงลุกโพล่ขึ้นก็เลยมีจิตเลื่อมใสเนี่ยนะพรหมนั้นมีจิตเลื่อมใสกล่าวเป็นคาถาว่าเธอรู้ชัดอายุของฉันแน่นอนเธอรู้แม้สิ่งอื่นๆเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอนุภาพอันเธอให้ลุกโผล่แล้วนี้ก็อย่างนั้นแหลย่อมยังพรหมโลกให้สว่างอยู่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 แล้วก็ยังแยกออกว่าพระองค์นั้นรู้ทั้งวัตตะและวิวัตตะรู้ทั้งธาตุดินที่เป็นวัตตะที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพระองค์รู้จากพระนิพพานเป็นธรรมที่สบัดสลัดออกจากธาตุดินโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เหนือกว่านี่ประเด็นนี้พระองค์ก็เหนือกว่านะพร้อมรู้จักแต่เพลิดเพลินชื่นชมในธาตุดินรู้จักวิธีสร้าง ธาตุดินแต่ไม่รู้จักพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับธาตุดินไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้นิพพานเป็นที่ดับธาตุดินพระแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้ธาตุดินปฐวีธาตุปฐวีาธาตุสมุทัยปฐวีธาตุนิโรธปฐวีธาตุนิโรทคขามินีปฏิปตาซึ่งในยะนี้พรมเนี่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอาวิชชาไม่ไม่ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้เลย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 ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทามันพระองค์ไม่ได้ยึดถือในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหลา่ล า, ลาสัตว์เทวดาประชาบดีพรมก็คือพระองค์เนี่ยพรากจิตจากภพสามกำเนิด4ี่คติหวิญญาณทิ่ติ7็สัปตาวาดเกเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะอันพระองค์พ้นจากทุกพระองค์ตรัสรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกเนี่ยนะ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 ไม่ได้โดยธาตุดินหมายคือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ยึดถือธาตุดินน้ําไฟลมเลยไม่ได้ยึดถือสัตว์เทวดามารพรอภัสรพรมสุเกินหาพรมเวหาภลาพรมอภิภูพรมเลยต้องเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือในภพสามกําเนิด์ศีด้วยตัณหามาณทิฏฐิเลยเนี่ยนะจึงจะบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะตรงนี้ท่านพระพุทธเจ้าอธิบายนิพพานเนี่ยนะอัลกัานหน้า460 460ที่แสดงพระนิพพานเนี่ยนะหน้า460ส่วนภาษาสดาเป็นนักพูดยิ่งกว่าพรหมเนี่ยนะเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นพระองค์ก็เอาเหตุอย่างอื่นมาย่ำยีของพรหมคำของพรหมพรหมเ็าบอกว่าพระพุทธท่านอย่าพูดถึงนิพพานที่ไม่มีอยู่จริงเลยท่านอย่ามามู่สาแถวนี้เลยแล้วพระองค์ก็ชี้แจงให้ฟังว่าะนะนิพพานนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จักขวิ ญ, ญญาณจะมองเห็น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 อธิบายว่าสมบูรณ์ด้วยแสงโดยประการทั้งปวงจริงอยู่พระนิพพานนอกจากพระนิพพานแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่มีแสงยิ่งกว่ามีความโชดช่วงกว่าที่สุดหมดจดกว่าหรือขาวกว่าเนี่ยนะพระนิพพานนั้นเป็นแดนเกิดของมรรคผลเนี่ยนะนิพพานนี่เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดแห่งอริยมรรคเป็นต้นและนิพพานนี่ไม่ได้กล่าวว่าอยู่ในทีศไหนนิพพานนั้นไม่อยู่ในทีศเหนือทีต่ตะวันออกที่ใต้ทีต่ตะวันตกเบื้องบนเบนืบ้องล่างเป็นต้นไม่มี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 เนี่ยกรรมฐาน38ข้อเนี่ยนะทั้งสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปสมถะจะขึ้นต้นหมวดไหนก็ได้ก็สามารถที่จะทำให้บรรลุนิพพานได้ฉันนั้นพันะพิจารณาผมเกษาเกษาสมุทัยเกษานิโรธก็สามารถที่จะตรัสรู้พระนิพพานเป็นต้นพันธะอารมณ์กรรมฐาน38ะนะเช่นกะสิน1ิอสุภาสิอนุสติ10บเจตุธาตุวะวัฏฐานเป็นต้น กรรมฐานเหล่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานท่านพระนิพพานนั้นน่ะไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ําไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลมเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยพ้นจากกามมพบรูปประพบอรูปรประพบพ้นจากขันคือรูปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเธอเนี่ยนะอยู่ในเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่ง ภูมิสามเป็นวิสัยของบุคคลแบบเธอเธอรู้แค่การมภพบรูปประพบละอารูปประพบเธอรู้เพียงวัตตะแต่เธอไม่รู้สิ่งที่ไม่มีที่สุดคือพระนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันบอกว่าเออท่านไม่รู้จักนิพพานพรหมเขายอมเลยใช่มมาแมเนี่ยนิพพานใช่เลยเชื่อเลยเป็นต้นพรหมยอมรับเลยทันทีไหมพระองค์บอกอริยศาสตร์ให้พรหมฟังเนี่ยนะไม่